สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามสิบสองนะครับภายใต้หัวข้อที่ว่าสาวกของพระเยซูกลุ่มแรกพี่น้องครับเราคงจําได้นะครับว่าสาวกของพระเยซูกลุ่มแรกก็คือแอนดรูและก็ยอนนะครับแอนดรูก็ไปเรียกพี่ชายของตัวเองก็คือเปโตรนะครับคําว่าเปโตรนั้นแปลว่าแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับแปลว่า ศิลาครับนะครับในวันนี้เราจะมาดูถึงสาวกอีกคู่หนึ่งครับที่พระเยซูทรงเรียกขณะที่พระองค์กำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับหมู่บ้านแห่งนั้นเรียกว่าหมู่บ้านคนาในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สี่บสามถึงห้าสิบเอ็ดนะครับเราจะพบว่าสาวกผู้ติดตามพระเยซูกลุ่มแรกก็คือแอนดรูยอห์แลวก็เปโตร เป็นชาวกลรีกทั้งหมดและมีอาชีพเป็นชาวปรพมงครับเมื่อเขามาพบและติดตามพระเยซูพวกเขาอยู่ในยูเดียกับยอนผู้ให้บับทิสมาพี่น้องครับเราจะต้องรู้นะครับและอย่าสับสนนะครับว่ายูเดียนะครับกับกรีกนั้นเะหมันคนละแคว้นกันกรีกลลนั้นอยู่ทางเหนือครับยูเดียอยู่ทางใต้นะครับในวันที่ถัดจาก ที่พี่เยซูทรงพบสามคนนี้พี่เยซูทรงตั้งพระไถยที่จะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีครับระหว่างทางก็ได้พบสาวกอีกคู่หนึ่งครับสาวกคู่นี้นะครับคนแรกก็คือฟิลิปพี่เยซูจึงจัดกับฟิลิปว่าจงตามเรามานะครับสี่คำสั้นๆนี้นะครับจงตามเรามาเปรียบเทียบกับการพบกันวันนี้นะครับ เมื่อวานเมื่อวานนี้พเยซูเฉ็จมาจากถิ่นรักันดารแห่งแคว้นยูเดียกลับมาที่ซึ่งยอนผู้ให้บัพติศมา ก, กำลังเทศนาขณะที่พี่องค์พระองค์กำลังเดินอยู่เขาก็ชี้นะครับให้แอนดรูยอนดูพีเยซูและบอกว่าพระองค์เป็นใครนะครับอันนี้คืองานของยอนแห่งแบททิสนะครับคนทั้งสองคนก็คือยอนกับแอนดรูนั้นก็ติดตาม ตัดสินใจติดตามพระเยซูทันทีครับแล้วก็พักอยู่กับพระองค์เมื่อให้มาติดตามพระเยซูพระองค์ก็ต้องการให้ฟิลิปนะครับก็มาเป็นสาวกติดตามพระเยซูและไปกับพระองค์เช่นเดียวกันครับฟิลิปเองนั่นก็มาจากเมืองเบตไซดาเหมือนกันแในเมื่อศึกษาประวัติของพระเยซูนะครับเราจะพบว่าประวของพระเยซูนั้นได้กล่าวถึงเมืองเบตไซดาหลายครั้งครับ ฟิลิปนั้นมาจากเมืองหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกลิลีฝั่งตะวันออกของแม่น้ําจอแดนในก็อที่สี่สิบห้านะครับได้เล่าว่าฟิลิป์นั้นไปหานาธานาเอลครับอีกคนแล้วนะครับและบอกเขาว่าเราได้พบกับพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัตแล้วและที่พวกผู้เุยพระชนะได้กล่าวถึงก็คือพระเยซูชาวนาซีตบุตรโยเซฟเพราะฉะนั้นตอนนี้รวมกันนะครับสาวกของพระเยซูก็มีห้าคน เราเรียกว่าสาวกกลุ่มแรกเลยครับที่ติดตามพระเยซูนะครับก็มีแอนดรูยอนนะครับผู้เขียนพระกิติคุณยอนซีโมนเปโตนะครับสามนั้นครับฟิลิปและนาธานาเอลห้าคนนี้นะครับมาจากแคว้นกาลิลีครับที่อยู่ทางเหนืออันเป็นที่ตั้งของเมืองนาซาเลสฟิลิปได้ทราบว่าผู้ที่ยอนเรียกว่าลูกแก่ของพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้านั้น ก็คือพระเยซูชาวนาเซ่นั่นเองพี่น้องครับพระเยซูชาวนาเซ่หรือพระเยซูบุตรโยเซฟเรารู้นะครับว่าโยเซฟนั่นเป็นช่างไม้และเป็นที่รู้จักกันดีในแถบกาหลีครับพี่น้องครับนาธานนาเอลนั้นเมื่อถูกแนะนําพี่น้องรู้ไหมครับเขาตอบว่าไงเขาเป็นคนที่ตอบแบบมีมีเ้าเรียกว่าเป็นคนมักเจาะเย้ยครับนาธานนาเอลนั้นก็ตอบ อย่างเยอะเย้ยเลยนะครับนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าเขามาจากคานาเขาอาจจะ ก, กําลังพูดตลกกับฟิลก็ได้อาจจะเปรียบได้กับคนที่อยู่ทางเหนือครับรู้สึกว่าสินค้าทุกอย่างจากทางเหนือนะครับ mm hmm. เหนือกว่าสินค้าทุกอย่างที่จากทางใต้นะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ายังมีการแบ่งชั้นบนหน้ากันอยู่ยังมีความสุวสิ่งดีอะไรจะมาจากนาซเลตได้หรือเห็นไหมครับพี่น้องครับ นาสเสร็จนั้นไม่มีชื่อโดดเด่นอะไรเลยในยสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับของดีจะมาจากหมู่บ้านเล็กๆได้หรือนะครับฟิลิปตอบกับนาธานาเอลว่ามาดูเถิดนะครับสั้นๆครับมาดูเถิดมาดูเองสิฟิลิปจึงพานาธานาเอลมาพบกับพระเยซูพระเยซูทรงเห็นเขาพระเยซูก็เลยตรัสทักทายเขาและบอกกับคนคนนี้บอกว่าดูเถิด ชนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายพี่น้องครับนักแห่เอลนั้นเมื่อพบกับพระเยซูนะครับพระเยซูก็แสดงตัวเองครับว่าเป็นใครนักแห่เอลก็เลยทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูทรงมีความรู้เหนือธรรมชาตินะครับและพระองค์ตรัสว่าก่อนที่ฟิลิปเรียกท่านเมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นเราเห็นท่านนักแห่เอลจึงรู้เลยครับว่า พระองค์ผู้ที่ตรัสกับเขานั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลเพื่อเราจะเห็นนะครับว่านาธานเอลนั้นรู้ครับและในทสุดเนี้ยเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะพระองค์สามารถบอกได้ก่อนหน้านี้ว่าน า, นาธานเอลอยู่ที่ไหนนะครับพรองทรงสัญญาในข้อที่ห้าสิบว่านาธานเอลนั้นเขาจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเรามาถึงจุดที่ว่า เยรูตอนนี้มีสาวกห้าคนแล้วนะครับผมขออ น, นุญาตทบทวนนะครับสาวก ค, คนแรกนะครับก็คือแอนดรูนะครับยอนซีมอนเปโตรฟิลิปและนาธานแลเอลครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าการเป็นสาวกของพระเยซูนั้นเริ่มต้นจากพระคุณของพระเจ้าก็คือการสร่งเรียกและสาวกก็แนะนำสาวก ค, ครับ สาวกก็สร้างสาวกนะครับแต่สาวกนะครับแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกับพระเยซูเราเห็นนะครับว่าแอนดรูนั้นแนะนําให้เปโตรซิมนเปโตร พ, พี่ชายของตัวเองรู้จักพระเยซูในขณะเดียวกันครับฟิลิปนะครับก็แนะนําเพื่อนของเขาก็คือนาธานนาเอลรู้จักกับพระเยซูคําถามก็คือว่าเรานั้นได้แนะนํานะครับใครแล้วหรื อ, อยังให้รู้จักกับพระเยซู ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราไม่ว่าเป็นพี่น้องของเราดนั้นพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูครับว่าสาวกห้าคนแรกนั้นมีบทเรียนอะไรให้กับเราบ้างขอพระเจ้าทรงอวยว่าพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการดำเนินชีวิตในการทํางานเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเริ่มต้นวันทํางานขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านและให้ชีวิตของพวกเรานั้นเป็นสาวกของพระเยซูอย่างแท้จริง อาเมน